สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายข้อสังเกตบางประการและจุดควรเน้น 1. ข้อความซ้าถ้าอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดอย่างต่อเนื่องกันจะสังเกตเห็นความซ้ำซ้อนมากมายโดยเฉพาะเนื้อหาในสังยุตตนิกายนี้จะซ้ำซ้อนกับนิกายที่ผ่านมาและจะไปปรากฏในอังคุตระนิกายและขุตกะนิกายบางส่วนแม้คาถานในสขารวัก ก็มีที่ซ้ำกับธรรมบทอุทานและเทระเทรีคาถาบ้างนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้พระไตรปิฎกหนาหลายเล่มสมุดข้อสังเกตข้อที่สองพุทธกิจประจำวันของพระาศาสดาพระอัตกะถาจารย์ท่านประพันธ์เป็นคาถาว่าในที่นี้มีบาลีด้วยขออนุญาตอ่านแค่ภาษาไทยเท่านั้นนะครับ เช้าเสด็จออกบินธบาทโปรดสัตว์เย็นทรงแสดงธรรมค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเที่ยงคืนทรงแก้ปัญหาเทวดาทั้งหลายไกลรุง่งทรงทอดพระเนตรดูสัตว์ที่ควรโปรดและไม่ควรโปรดพระมูนีผู้นี้ประเรสริฐทรงยังกิ จ, จวัตรทั้งห้าประการให้หมดจดอย่างนี้ จะเห็นว่าทรงมีเวลาพักผ่อนน้อยมากตลอดระยะเวลา45ปีทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงความลำบากพระวรกาย ท, ทั้งที่พระสุขภาพไม่ค่อยดีทรงมีโรคประจําคือปักขันทิกาพาดอันเป็นผลจากการทรงทรมานกายก่อนตรัสรู้หมายเหตุผู้อ่านปักขันทิกาพาดคือโรคท้องร่วง บางแห่งใช้คำว่าลงโลหิตนะครับสังเกตว่าเวลาเทวดาหรือเทวบุตรมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะไม่นั่งจะยืนณที่ข้างหนึ่งทูลถามปัญหาเสร็จแล้วก็อันตรธานไปพระอัฏฐกถาจารให้เหตุผลว่าโดยปกติเทวดาไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นในที่นี้ ท่านเจ้าของบทความวงเล็บไว้ว่ามนุษย์ขี้เหม็นที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะกลิ่นศีลของพระองค์และอยากทราบข้อธรรมะจึงมาเทวดามีสามประเภทเทวดาโดยสมมุติเทวดาโดยกำเนิดเทวดาโดยความบริสุทธิ์พวกที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าได้แก่เทวดาพวกที่สองคืออุปติเทพ เวลาเทวดาพวกนี้มาจะทำให้มีแสงสว่างปรากฏทั่วทั้งบริเวณด้วยรัศมีบางคนตีความว่าเทวดาก็คือพระราชามหากษัตริย์ที่หาเวลาว่างจากราชกิจตอนกลางคืนมาปรึกษาหารือ ก, กับพระพุทธองค์แสงสว่างที่ว่านั้นคือคบเพลิงชูสว่างสวัยเวลาเสด็จความจริงไม่ต้องตีความก็ได้พระพุทธศาสนา รับรองว่ามีเทวดาจริงอยู่แล้วข้อสังเกตข้อที่สข้อที่น่าสังเกตระหว่างภาสิทธ์ของเทวดาและพระพุทธองค์คือทัศนคของเทวดาหรือเทวบุตรส่วนมากจะเป็นโลกิยะคือมีความคิดเห็นหรือค่านิยมที่สามัญปุตุชนเขาคิดหรือมีกัน เช่นเห็นว่าคนสำคัญที่มีสมบัติพัฒสถานมีมากก็มีความสุขความเพลิดเพลินส่วนพระพุทธองค์ทรงมองแบบอริยะมองตามภาพความเป็นจริงว่าคนเรายิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากเพราะสมบัติภัสถานเป็นเหตุให้ตนยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นพาสิทธิของพระพุทธองค์จึงมักจะมีในตรงข้ามจากพาสิทธิของเทวดาแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกัน เทวดาก็คิดลึกเข้าใจลึกซึ่งมีในพระสูตรที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นบางครั้งถามปริศนาธรรมที่ลึกซึง้งเช่นภิกษุท่านไม่กินแล้วขอกินแล้วไม่ขอท่านจงกินให้อิ่มแล้วค่อยขอเถิดอย่าให้เวลาผ่านไปเปล่าในที่นี้เทวดาเธอหมายความว่าทำไมไม่บริโภคกามให้อิ่มสักก่อนค่อยออกบวชถือเพศบรรพชิตเที่ยวพิคขาจา์ บังเอิญพระสมิทธิผู้ที่เทวดาถามเข้าใจความหมายของเธอจึงได้โต้กลับมาอย่างเฉียบแหลมเช่นกันข้อสังเกตข้อที่สในอัตถกถาชื่อปัปปัญจสุทนีกล่าวว่าคนถามปัญหามีอยู่ห้าประเภทคือหนึ่งถามเพื่อต้องทราบในสิ่งที่ตนไม่ทราบ 2. ถามเพื่อเทียบเคียงกับความรู้ที่ตนมีว่าตรงกันหรือไม่ 3. ถามเพื่อแก้ข้อสงสัยของตน 4. ถามเพื่อขออนุมัติหรือคำรับรองยืนยันจากผู้ถูกถาม 5. ถามเพื่อทดสอบดูว่าเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจจะบอกให้เทวดาที่ถามพระพุทธองค์ ส่วนมากก็ใช้คำถามสี่ประเภทข้างต้นไม่ปรากฏว่าจะมีใครใช้ประเภทสุดท้ายข้อสังเกตข้อที่หอินเดียสมัยพุท ธ, ธกาลมีการปกครองสองระบบคือราชาธิปไตยกับอีกระบบที่เรียกว่าสามัคคีธรรมมีมหาราชที่เป็นอุปธรรมพระพุทธศาสนาสองพระองค์คือพระเจ้าพิมพิสาร กับพระเจ้ารปเสนที่โกศลเรื่องราวของมหาราชองหลังมีมากกว่าจนรวมได้สังยุตหนึ่งเพราะพระเจ้าพิมพิสารด่วนสวรรคตไปก่อนพระเจ้าระเสนที่โกศลเป็นผู้ปกครองของพวกสักยะราชาสกุลวงของพระพุทธเจ้าด้วยการที่พระเจ้าระเสนที่โกศลมาเคารพนับถือพระพุทธองค์นอกจากเพื่อผลทางการเมือง คือแข่งบารมีกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วทรงผลทางอ้อมทำให้ผู้นำรัฐน้อยใหญ่หันมาให้ความสำคัญและอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาด้วยตอนหลังกษัตริย์ทั้งสองจเจริญสัมพันธไมตรีกันอาพิเศกสมรสกับพระคณิษฐาของกันและกันพระคณิษฐาของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลคือโกศ ล, ลเทวีพระราชารดาของพระเจ้าอาชาศัตรู พระเจ้าปเสนที่โกศลเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างดีพระองค์หนึ่งทรงเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของพระพุทธองค์และเสด็จเข้าเฝ้าถูนขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆอยู่เสมอพระราชามีมาเหสีที่เป็นพุทธสาวิกาและมีความฉลาดเป็นเลิศอีกนางหนึ่งชื่อมาลิกาพระนางมาลิกาเป็นผู้ถวายคาแนะนา ให้พระราชาเลิกการทำบูชายันที่มีการฆ่าอย่างใหญ่หลวงให้หันมาบำเพ็ญอาสาทิสัทธานแทนเรื่องราวของพระมหากษัตริย์องค์นี้มีกล่าวไว้ในพระสูตรหลายแห่งข้อสังเกตข้อที่หข้อความในฉดินสูตรให้สติว่าการจะรู้ว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหน ผู้นั้นจะต้องบรรลุธรรมขั้นนั้นหรือสูงกว่านั้นวิสัยปุถุชนผู้มีกิเลสหมกมุนในการมารมณ์จะวินิจฉัยว่าใครบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้หรือใครจะอวดว่าตนบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ก็ผิดความจริงอีกเพราะผู้บรรลุธรรมย่อมไม่บอกใครและผู้ที่บอกคนนั้นไม่ได้บรรลุ ต่อจากคำถามของนักอรหันต์นิยมที่มักถามอยู่เสมอว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอรหันต์หรือไม่มีพุทธวจนะให้หลักการกว้างว่าตราบใดที่ยังมีผู้อยู่โดยชอบปฏิบัติตามอริยมักตราบนั้นโลกย่อมไม่ว่างจากอารหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำถามไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีอรหันต์หรือไม่ แต่ควรจะอยู่ที่มีผู้ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคจริงๆหรือเปล่าหมายเหตุผู้บันทึกเสียงขอเสริมสักนิดนะครับเพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้หลายคนปรามายครูบาอาจารย์บางรูปได้ซึ่งจะเป็นกรรมหนักก็เลยไม่อยากปล่อยผ่านไปนะครับจากประโยคที่ว่าผู้บรรลุธรรมย่อมไม่บอกใครและผู้ที่บอกคนนั้นไม่ได้บรรลุ การบอกตนเรื่องบรรลุธรรมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เจตนาด้วยถ้าบอกในกรณีคล้ายการคุยโม้โอ้อวดหรือเพื่อเรียกลาบสการะอย่างนั้นผิดแน่นอนเต็มๆแต่ถ้าบอกผลการปฏิบัติเล่าผลการปฏิบัติในหมู่นักปฏิบัติด้วยกันตอบตามความเป็นจริงการบรรลือสีหนาฏเป็นสิ่งที่ทำได้และไม่ผิดทุกอย่างอยู่ที่เจตนาและบริบทกับปัจจัยแวดล้อมนะครับ ในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดไม่อย่างนั้นจะเข้าใจผิดพระธรรมไม่ใช่เหมือนกฎหมายทางโลกแต่มีนวยะแรงมีปัจจัยแวดล้อมอีกมากยกตัวอย่างเช่นการพูดคำหยาบเป็นสิ่งไม่ดีแต่พระอรหันต์บางรูปท่านก็พูดคำหยาบเป็นนิดแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตนดังนั้นจึงไม่อยากให้ประมาท ศึกษาปฏิบัติให้มากเพื่อจะได้รู้จริงแตกฉานและไม่เผลอเข้าใจผิดปรามาสผู้ทรงธรรมฝากไว้ด้วยนะครับ